มันมีการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจนะง่ายๆนะเขาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะเปิดได้นะใน t u b e เป็นการทดลองเกี่ยวกับลิงเขาเอาลิงชนิดที่ชื่อว่าคาปูชินนะเป็นลิงตัวเล็กๆเล็กกว่าลิงสมแอล์ลิงกลางเนี่ยสองตัวใส่กรงนะกรงนี้ก็ติด ก, กันมองทะลุ ถ, ถึงกันได้ คนทดลองก็เป็นผู้หญิงนะวิธีการก็ง่ายๆนะคะเอาเอาลิงเอาก้อนกรวดให้ลิงวางไว้ตรงมุมหนึ่งของของกรงหน้าที่ของลิงก็คือว่าหยิบก้อนกรวดนั้นมาคืนให้กับคนเมื่อคือนก้อนกรวดก็จะได้รางวัลก็คือ ตัวแรกเนี่ยจะได้แต่งกวาลิงนี่มันชอบแต่งกวาอยู่แล้วนะตอนที่เจ้าของให้แต่งกวามันมันก็ดีใจนะอันนี้ลงลิงตัวที่สองเนี่ยก็ให้ทําอย่างเดียวกันก็คือว่าเอาก้อนหินมาให้เขาเอาก้อนกรวดมาให้แต่ว่า รางวัลที่ได้เนี่ยแทนที่จะเป็นแตงกวาก็เป็นอ ง, งุ่นอ ง, งุ่นลิงตัวที่สองได้อ ง, งุ่นไอ้ลิงตัวแรกนี่มันก็เห็นนะว่าเพื่อนของมันได้อ ง, งุ่นลิงเนี่ยมันชอบอ ง, งุ่นเพราะว่าอ ง, งุ่นนี่มันหวานครานี้เขาก็เริ่มทําซ้ํานะ คนทดลองก็วางก้อนหินไว้ในมุมของกรงแล้วก็ลิงตัวแรกก็เอาก้อนหินมาคืนคนก็ให้แตงกวามันเป็นรางวัลปรากฏว่าคราวนี้ลิงนี่มันไม่ชอบแล้วนะไม่พอใจแล้วมันคว้าแตงกวาไปได้สักพัก มันก็คว้างแตงกวาใส่คนเมื่อกี้นี้มันยังชอบใจดีใจอยู่เลยนะที่ได้แตงกวามาแต่ว่ารอบที่สองนี้มันไม่พอใจละมันเอาแตงกวาคว้างใส่คนเลยแล้วมันก็ดูนคนเนี่ยให้อ ง, งุ่นกับลิงตัวที่สองหลังจากที่ลิงตัวที่สองนี้ยื่น ก้อนหินก้อนกรวดใหนะ้เขาก็ททำซ้ำเป็นครั้งที่3นะเอาก้อนกรวดมาวางไว้ตรงมุมกรงแล้วก็ให้ลิงตัวแรกเนี่ยเอาก้อนกรวดยื่นคืนมารางวัลก็เหมือนเดิมแตงกวานะมันก็รับอย่างเสียไม่ได้นะไม่พอใจนะาทีท่าทางก็กับเพาะกับเฟียน อรับได้รับเสร็จมันก็ทำยงไงเอาแตงกวาคว้างใส่คนอีกนะการทดลองนี้สั้นนะไม่ถึงสองนาทีเห็นก็รู้เลยนะว่าลิงเนี่ยมันมีความไม่พอใจที่มันได้แตงกวาขณะที่เพื่อนเนี่ยได้องุ่นซึ่งเป็นของที่ดีกว่า อันนี้เขาต้องการพิศสูนรหรือเชี่ยเห็นว่าลิงเนี่ยนะแม้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มันก็มีสํานึกในเรื่องของความเท่าเทียมนะไอเรื่องความเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสํานึกที่มีแต่เฉพาะคนนะหรือไม่มีแต่เฉพาะคนในเมืองคนป่าก็มีหรือแม้แต่ลิงมันก็มีเหมือนกันก็คือว่าถ้าทําอะไร อย่างเดียวกันก็ได้ผลก็ต้องได้ผลตอบแทนเท่ากันเหมือนกันฉันทำแล้วทางานอย่างเดียวกันแต่ฉันได้แต่งกวาแต่เพื่อนฉันได้องุ่นเนี่ยมันก็ไม่พอใจอันนี้ก็เรียกว่าน่าสำนึกในเรื่องความเป็นธรรมความเท่าเทียมซึ่งนะมันก็ จะว่าไปเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างสํานึกในความเท่าเทียมกับความโลภนี่บางที ม, มันก็เส้นแบ่งก็บางนะเพราะว่าพอมันเห็นอีกตัวหนึ่งได้องุ่นมันก็อยากได้บ้างนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นความโลภก็ได้นะหรือว่าความไม่พอใจในสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็ได้ ซึ่งก็คนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคนเรานี่ทำงานแล้วปรากฏว่าเพื่อนได้เงินเดือนมากกว่าได้โบนัสมากกว่านี่ถ้ารู้นะจะไม่พอใจนะพอรู้สึกว่าเออฉันก็ทําเท่ากับคนอื่นทําไมฉันได้เงินเดือนน้อยได้โบนัสน้อยนะบริษัทจํานวนมากเขาก็เลยไม่ยอมเปิดเผย ว่าใครได้เงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าเงินเดือนที่ได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเกิดรู้ว่าฉันได้เงินเดือนน้อยกว่าก็จะเกิดความไม่พอใจถนะ้คนเราก็ก็มีคุณสมบัติแบบนี้นะไม่ต่างจากลีนคาปูชินนะท่นนี้มันก็น่าคิดนะว่าถ้าหากว่ารักความเป็นธรรมจริงอะถ้าหากว่าเราได้มากกว่าคนอื่น นะเราก็ต้องไม่พอใจเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นมาแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะถ้าเกิดว่าตัวเองได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นถันท้ารักความเป็นธรรมจริงก็ต้องเฉลี่ยนะหรือลดเงินเดือนของตัวเองเนี่ยให้เท่ากับคนอื่นถึงจะเป็นธรรมนะแต่ก็ไม่มีใครทําอย่างนั้นนะน้อยคนมาก มันก็มีเหมือนกันนะเมื่อเมื่อชาร์ที่เพิ่งอ่านนะ CO บริษัทนึงนะในอเมริกาเงินเดือนได้ปีละล้านล้านดอลลาร์นะเขาลดเงินเดือนของตัวเองนะให้เหลือปีละ 75,000 ดอลลาร์ให้เท่ากับคนอื่นๆ น, นะเพราะว่าก็มีนโยบายป ร, บปรับปรุงใหม่ให้ทุกคนเนี่ยมีเงินเดือนขั้นต่ำา7 5 0 0 0 ดอลลาร์ต่อปีแล้วเขาก็ขอลดเงินเดือนให้เท่ากับคนอื่นจากล้านนึงนะเหลือเจ0 0 0มื่นไอแบบนี้นี่หายากนะเมืองไทยคงไม่มีลดพดักานขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลามีเงินเดือนมากกว่านี้เราก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรที่จะให้เงินเดือนตัวเองเนี่ยเท่าคนอื่น ก็แสดงว่าอการลบความเป็นธรรมหรือลกความเท่าเทียมกันของคนเราเนี่ยมันมันมีเงื่อนไขว่าฉันต้องได้เท่ากับคนอื่นไม่น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้ามากกว่าคนอื่นไม่เป็นไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความโลภแล้วล่ะถึงบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างความโลภกับความสำนึกและความเป็นธรรมนี่มันก็ บางครนี้ลองมาพิจารณาต่อไปนะจากเรื่องที่เล่ามาเนี่ยไอ้ลิงตัวแรกเนี่ยทีแรกมันได้แตงกวามันก็ดีใจแต่พอมันได้แตงกวาครั้งที่สองเนี่ยมันไม่พอใจแล้วไม่พอใจเพราะว่าเห็นเพื่อนได้องุ่นนะพอมันไม่พอใจมันทํำยังไงมันคว้างทิ้งเลย แล้วถามว่ามันฉลาดไหมที่มันคว้างแตงกวาทิ้งนะมันคว้างไปแล้วมันได้อะไรนะมันคว่างไปแล้วมันได้อะไรนะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเก็บแตงกวาไว้มันก็ได้กินใช่ไหมก็ทําให้หายหิวได้มันคว้างแตงกวาทิ้งเพราะมันโกรธเพราะมันไม่พอใจเสร็จแล้วมันก็เลยเสียผลประโยชน์นะของที่ควรจะเก็บเอามากินก็ทิ้งไปซะ อันนี้จะเรียกว่ามันโง่ได้ไหมนะคนเราเวลาโกรธแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถจะบั่นทอนประโยชน์ของตัวเองได้นะสามารถคนเราเวลาโกรธแล้วก็สามารถจะทาลายเข้าของของตัวเองได้หรือพอรู้สึกว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดความไม่พอใจในของชิ้นนั้นขึ้นมา ทังนั่งที่ของนั่นก็ยังมีประโยชน์แล้วก็เป็นของที่มันชอบด้วยหรือเป็นของที่คนเราชอบด้วยเอาเพวกเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยสิแรกเราก็ดีใจแต่พอเรารู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าได้ดีกว่าเราเสียใจเล ย, เยแล้วก็เราก็เลย ผ่านไม่ชอบของที่เราได้มามีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปไปเจอเสื้อตัวหนึ่งก็สวยนะเสื้อประมาณ 1,500 บาทแล้วก็ต่อราคาจนได้ 1,200 อง้เขาก็ดีใจนะดีใจที่ต่อได้ 1,200 แต่พอรวบเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยซื้อเสื้อตัวเดียวกันแต่เขาต่อได้เขาซื้อได้ถูกกว่าพันห้าเขาซื้อได้หนึ่งพันนะพอรวบเพื่อนซื้อได้ถูกกว่าตัวเองนี่นะเขาเสียใจแล้วก็ไม่เท่านั้นนะไอเสื้อตัวนั้นนี่เขาก็ไม่ใส่เลยนะแผลงว่าอย่างงั้นแหละ เพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจเห็นเสื้อตัวนี้แล้วนี่นะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียเงินไปพันสองนะถ้าคนฉลาดนี่ก็ต้องใส่นะซื้อมาแล้วก็ต้องใส่นะแต่ทําไมนะถึงไม่ยอมใส่มันนะอันนี้ก็คงไม่ต่างจากลิงนะที่มันได้แต่งกวามาแล้วมันก็คว้างทิ้งนะแลนะ้คนเรากับลิงนี่ที่จริมก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ก็คือว่าการเปรียบเทียบเนี่ยความทุกข์ได้ง่ายทั้งทั้งที่เราได้โชคได้ลาบถีแรกก็ดีใจแต่พอเขาเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่ามากกว่าไอ้ความดีใจก็เปลี่ยนเป็นความเสียใจทันทีซื้อของราคาถูกต่อนะ ด้วยความพอใจนะได้มาก็ดีใจแต่พอเห็นคนอื่นเขาซื้อได้ถูกกว่าเรานะก็กลายเป็นเสียใจและของที่ได้มาก็ผ่านไม่ชอบนะไม่อยากใช้หรือได้ซ้ำบางทีแม้กระทั่งการเปรียบเทียบนะกับสิ่งที่เราเคยมีเคยได้แล้วตอนนี้เราได้น้อยลง มันก็ทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันมีพ่อค้าคนหนึ่งนะไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมแล้วก็ตหลังก็เห็นว่าเออการทำสมาธิการเจริญสติเป็นของดีก็เลยตั้งใจว่าทุกเย็นหลังจากทำงานเสร็จก็จะนั่งสมาธิ แต่ว่านั่งได้ไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีสิ่งรบกวนก็คื อ, อถนนที่ติดกับหน้าร้านเนี่ยตกเย็นเนี่ยเด็กๆ ก, กลุ่มหนึ่งก็มาเล่นฟุตบอลกันส่งเสียงเจียวจ้าวลุงคนนี้แกก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ที่จริงเสียงเจียวจ้านี่ถ้านั่งเป็นก็นั่งได้นะแต่ว่าคนฝึกใหม่นี่ก็คงจะนั่งลําบาก ก็หาทางว่าทำยังไงจะให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นฟุตบอลทีแรกก็คิดจะไปไลนะ่ให้เด็กไปเล่นที่อื่นแต่ก็รู้ว่าวิธีนี้คงไม่ได้ผลเพราะว่าเด๋ยเด็กก็อาจจะไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วก็หาทางแกล้งก็ยิ่งเล่นส่งเสียงดังมากขึ้นแกก็เลยใช้อุบายนะลงไปข้างล่าง แล้วก็เดินไปหาเด็กกลุ่มนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกหนูเล่นฟุตบอลนี่ทำให้ลุงเนี่ยคิดถึงนะสมัยเด็กๆที่ได้เล่นฟุตบอลคิดถึงอดีตแล้วจิตใจมันมีความสุขนะเป็นเด็กมีความสุขแล้วจิตใจลุงก็พลอยชื่นบานไปด้วยก็อยากจะให้รางวัลหนูนะ ก็ให้ร้อยบาทนะเอาไปแบ่งกันนะเด็กก็ดีใจอาทิตย์ต่อมาเด็กก็มาเล่นอีกนะจากนี้ส่งเสียงเจียวเจ้ายิ่งกว่าเดิมลุงยังก็ลงไปแล้วก็เอาเงินไปให้เด็กแต่คราวนี้เนี่ยบอกกับเด็กว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้นะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไป50ิบก็แล้วกันนะาบาท เ, เด็กก็ผิดหวังนิดหน่อยนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วได้ร้อยขาวนี้ได้50แต่ก็ยังดีนะไม่กี่วันต่อมาเด็กก็มาเล่นบอลอีกลุงก็ลงไปเราก็บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่เลยนะขายไม่ค่อยได้เอาไป10บบาทก็แล้วกันนะ นี่เด็กเริ่มไม่พอใจแล้วนะบอกว่าหลังจากนั้นเด็กก็ไม่มาอีกเลยพราะเด็กรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะสิบาทไม่คุ้มค่าเหนื่อยแต่ก่อนได้ร้อยนะคราวนี้ได้10นะสหรับเด็กเนี่ยรู้สึกเขาสูญเสียเงินไป90้านะพอคิดว่าเสียเงินไป90หรือขาดเงินไป90เนี่ยนะเด็กก็เสียใจ ไม่พอใจแล้วก็ไม่หมายกเลยก็สมสมปรัชนาของลุงนะถามว่าเด็กฉลาดได้ไหมนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เงินก็ยังเล่นนะเราก็เล่นด้วยความสนุกนะเด็กก็ไม่คิดนะว่าเอตอนตก่อนหน้านี้เราเราเล่นฟรีๆนะไม่ได้เงินเราก็ยังเล่นเลยแต่คราวนี้ได้10บาทนี่กลับไม่เล่นซะและ้วนะพราหละไพรไปเทียบกับว่าเคยได้ร0อยบาท นะอันนี้เรามองไม่เป็นเทียบไม่ถูกนะถ้าเขาเทียบว่าเออสมัยก่อนไอ้แต่ก่อนนี่เราเล่นเปล่าๆไม่ได้เงินนะมีความสุขนะแต่ก็ไปเทียบกับตอนที่ได้1้อยและตอนนี้ได้10บบาทนะคนเราผู้ใหญ่ก็เป็นนะไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะนะเปรียบเทียบไม่เป็น คนเราถ้ามอไม่เป็นนะได้คือเสียได้10บาทแต่เขารู้สึกว่าเขาเสีย90้าสบยิ่งกว่านี้ก็มีนะเพื่อตอมาคนหนึ่งเป็นนักเล่นทุนเราว่าเคยสมัยก่อนเนี้ยก็ไปที่ตลาดทุ้นเป็นประจำแล้วก็ไปเจอคุณป้าคนนึงคุณป้าคนนี้แกก็มีอาชีพขายหุ้นเหมือนกันซื้อถูกขายแพง คยไปคุยมาคุณป้าก็เล่าว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กําไร10บล้านบาท10บล้านบาทนี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่สี่บมับ้งหใบเพื่อนต่อมาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไร20สิบล้านคุณป้าไม่มีความพอใจนะไ ม, ไม่ไม่ดีใจนะที่ได้10บล้านบาท เพราะอะไรเพราะว่าถ้าขายวันนี้จะได้ยี่สิบล้านคุณป้านี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้10บล้านนะแต่แกคิดว่าตัวเองเสียสิบล้านวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดทุนเหมือนเคยเพื่อนตระมากสงสัยก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าของคุณป้าคนนี้ว่าป้าหายไปไหน ก็ได้คำตอว่าแกไปแกเข้าโรงพยาบาลแล้วรู้ไหมว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรคเครียดนะคเครียดที่ได้แค่10บล้านนะแต่ที่จริงแกไม่ได้คิดว่าแกได้10บล้านนะอย่างที่บอกแกคิดว่าแกเสีย10บล้านนะพอคิดว่าเสียสิบล้านนี่ป่วยเลยนะอันนี้เรียกว่ามองไม่เป็นนะแทนที่จะได้10บล้านแล้วมีความสุข ก, กับ ไม่พอใจก็คงไม่ต่างจากไอลิงคาปูชินนะที่ทีแรกได้แต่งกวามาก็ดีใจแต่พอได้เที่ยงได้ครั้งที่2นี่ไม่พอใจแล้วนะเพราะว่าคิดว่าฉันน่าจะได้อ ง, งุ่นนะควางทิ้งเลยนะไ อ, แ ต, ไอแต่งกวาเนี่ยโง่หรือฉลาดนะคนเราก็ไม่ต่างกันนะคนเราเนี่ยถ้าหาว่าเปรียบเทียบไม่เป็นแล้วเกิดความโกรธไม่พอใจขึ้นมา เราก็ทําสิ่งโ ง, ง่ๆได้ความโกรธเนี่ยทำให้คนเรานะลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วก็ทําสิ่งที่โ ง, ง่ได้เหมือนกันเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องความกลัวความตกใจไอ้ความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อลืมตัวแล้วนี่คนเราก็ทาอะไรโ ง, ง่ๆไดท้ทั้งนั้นแม้กระทั่งการทําร้ายตัวเองเช่นน้อยเนื้อต่ำใจมากผิดหวังถูกแฟนทิ้งหรือว่าอกหักนะ เสียใจเสร็จแล้วก็เลยทาไงทำร้ายตัวเองบางทีฆ่าตัวเองฆ่าตัวตายอันนี้แหละเพราะว่าความไม่ความลืมตัวนะพอเราลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นอย่างที่พูดไ้เมื่อวานเอาล ะ, ะคำนี้พูดกันท่นนี้กราบพระ